ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตตาไมหังมัทธเกเตมุนิสรา สีเสปติทิตโตไมหั่งพุทธโทธธรมโมทวิโลจเนสังโฆปติทิตโตไมหั่งอุเรศพะคุณาการโหทะเยเมอนุรุธโธสรีปุโตจทักขิเนโกนทันโยปิทิภาคัสงโมคัลานจาวามเก ทักขิเนสวันเนไมหั่งอาสุงอานันทาราหุโลกัสโปตจมหานาโมอุปาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิฏิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังการโอนิจสินโนสิริสัมปโนโสภิโตมุนิปุงคโว กุมารกัสโปเทโรมาเฮสีจิตวาทโกโซไมหังวาทะเนนิจจังปฏิทธาสิคุณาการโรปุนโนอังคุลิมาโลจอปปาลีนันทสิวลีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติลกามะ เซซาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรซาฉลันตาสิลเตเชนาอังคมังเ g k e s u s a n t ตารัตนังปุรโตอาเิทักคิเนเมตสุตกะัง ทัชกังปัจฉโตอาเสวาเมอังคุลิมาละกังคันธโมระปริตันจาอาตานณติยสุตตกังอากาเสชะธนังอาเสเสสะปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปาการลังกตา วัตปิตตาทิสัญชาตาพาหิรัชชทุปัตถวาอเสสาวินายังยันโตอนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิตเจนะสะท้าสัมพุทธปัญชเรชิณปัญชระมัดชัมหีวิหรันตังมหีเตเล สัาปาเลนตุมังสเพเตมหปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรัคโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆ สังคานุภาเวนัชิตันตราโยสัทธัมนาุภาวปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติ